พระธรรมเทศนาแผ่นที่73็ดบาลำดับที่17โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่12ตุลาคม2557มีชื่อเรื่องว่าวางแผนชีวิตสำหรับทิศศึกใหม่เราพวกพระหมายจะศึกวันไหนเนี่ย ศึกตัวไหนวะเอกินข้าวเจ้าบ้านแล้วไปศึกมันแมนบ่กินข้าว้าบ้านให้ไปพอน้ำยังไงถูกกินข้าว้าบ้านแล้วไปศึกศึกกี่องคอ๋อทาไมมันศึกมากนักวะ พระาราชิวัตรพระพักต้ายศึกไหมพระคองแงหว่าททำไมศึกวะคิดว่าจะอยู่สี่เดือนไม่ใช่หอรอเอาทำ ง, งานก่อนวันโพธิชันยังขันเสร็จก่อนนะเตรียมพร้อมก่อนที่จะลาศึกขานดูนะทำความสะอาดนะเสื้ อ, อผ้ากีบองกีวรนทีพักพาใส่ตรงสักอะไรให้เรียบร้อย ทำความสะอาดกุฏิให้เรียบร้อยอไม่ใช่ว่าลาสิกขาไปแล้วมีแต่ผ้าเหม็นๆให้ครูบา ท, ทั้งหลังซักเนี่ยเป็นบาปนะสุชาติทั้งหลายนะเอต้องทําความสะอาดอาให้เรียบร้อยทุกอย่างให้สะอาดทุกอย่าง เ, าเพอเผล่ฉีกออกไปต้องเป็นล้างห้องน้ําห้องส้วมอีกใจ <c oughs> เย็นไหมหสะอาดเรียบร้อยอ กุลาศิษาก่อนนั้นต่างอกตัางใจไปทําการทํางานเพราะเราลาศิษย์ขามาบวชมาเราก็รู้ว่าเราบวชมาเพื่ออะไรเพื่อทดแทนพระคุณของพ่อแม่พ่อแม่อยากจะให้บวชในพระพุทธศาสนาก่อนที่จะไปทําการทํางานอย่างอื่นวันนี้เราก็ได้บวชแล้ว แต่ขอสําคัญเมื่อศึกไปแล้วนะ่ะอย่าไปหาอย่าไม่พ้นเขตวัดไปหานจับกลุ่มกันโดดเล่าไม่ได้เรื่องนะอย่าไปหาทำนะทิศนาคําน้อยนะหลวงพ่อกอกเช้ากอกเย็นเอให้เป็นคนดีพอกกลับไปยังไม่พ้นวันพ้นคืนไปหาเลี้ยงเหล่ากันะ่หมดท่าแล้ววนะ่ะอื ต้องเอาธรรมะไปแจกเขาสิจริงๆ จ, จะถูกเวลาคนมาหาไปไง่ายเป็นบวดโอ้ยมาๆม า, มาเดี๋ยวจะเทศให้ฟังเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเรื่องธรรมะโอ้ผมไปมีประสบประการอย่างงูอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้ น, อ น, อ น, อ น, นเออต้องอธิบายให้เขาฟังให้เขาพูดเขาฟังให้อ้าปากบ่ฟังโอ้เก่งๆๆให้เขาวาดอย่างนัน้นจริงจะถูกเออไม่ใช่ไปศึกออกไปแต่ว่าเทศไปอยู่ในวัดตั้งหลายวันบ่ เลี้ยงฉลองวะไปไปซื้อเหล้ามาเออเอาไก่มาต้มเอาซาใส่สักหน่อยเออพอ ก, กินเสร็จแล้วมเมาแล้วตีหัวกันบัดเนี่ยเออเอามีดยำหัวกันบนี่ตายทิดนะเขาน้อยติดคุกบัดนี่เออขอให้ขี้หน้าหมดเลยเลยเมืองนะพวกเรานะเออมาบวชเขามาเป็นคนดี ดีรู้จักไม่ดีชั่วรู้จักไม้ชั่วสิ่งชั่วอย่าทมพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาครูบาอาจารย์บอกกล่าวสิ่งไหนที่มันดีประคับประคองทำดีที่สุดแล้วก็เก็บหอมรอมริบชับสมบัติที่ที่จะเป็นได้ เก็บไว้เพื่ออะไรต้องวางแผนชีวิตของตนเองอย่าให้พ่อแม่เดือดร้อนกับเราพ่อแม่เดือดร้อนกับเรามีเท่าไหร่ใช้ลูบชุยแชกใช้แล้วก็ขออีกเหมือนกับลูกนกเห็นไหมลูกนกอยู่ในรังพ่อพ่อแม่มา ก, ก่อร่างนะอาปากออคอยกินเยื่ออยู่ตลอด แม่ไม่รู้จะทํายังไงพ่อแม่หาแทบร้มแทบตายลูกน่ะอ้าปากอยู่ตลอดหิวอยู่ตลอดไม่น่าจะเป็นเหมือนลูกนกพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วขาสองแขนสองสมองหนึ่งพร้อมที่จะกระโดดไปในทิศทั้งสี่คนมีปัญญาย่อมหาทรัพย์ได้คนมีปัญญาเอาตัวรอดได้ เรานี่ยเป็นยังไงเราจึงเอาตัวไม่รอดจังให้เป็นภาระของพ่อของแม่ของพี่ของน้องของวงศาคณาญาตเป็นที่ตําหนิเขาดา่าเพราะเหตุไรเราทําตนอย่างไรสิ่งเหล่านี้เราต้องทบทวนดูตนเองเราดูตนเองอ น, นั่นแหะอันไหนควรเก็บเก็บยังไงรักษายังไง เงินทรัพย์คำทรัพย์สมบัติเพื่ออนาคตมีปัญหาเกิดขึ้นบางทีเราอย่างน้อยก็ช่วยตนเองให้ได้ถ้ามากกว่านั้นก็เอื้อ้ามันมีมากพอแม่เจ็บไข้ได้ป่วยวงศาคนาญาติพวกเกี่ยวข้องมีความจำเป็นเราก็แบ่งปันให้เพื่อผู้ที่เราเกี่ยวข้อง สิ่งเหล่านี้มันล้วนแล้วแต่เกิดประโยชน์ถ้าเรารู้จักวางแผนชีวิตของเราถ้าเราไม่รู้จักวางแผนชีวิตของเราเนี่ยอย่างว่ากินเป็นวันวันอยู่เป็นวันวันแต่ความเดือดร้อนเกิดขึ้นมาได้เลยโบกเวกโบยวายต่างหากมองไม่เห็นตัวเองเลหาพ่อพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฟูง วงศาคณาญาติผีๆน้องๆไม่เหตุความสงเคราะห์อนุเคราะห์ตัวเองขนาดตัวเองยังไม่สงเคราะห์ตัวเองแล้วจะให้คนอื่นสงเคราะห์ได้ยังไงขนาดตัวเองยังไม่รักตัวเองจะให้คนอื่นรักตัวเองยิ่งกว่าตัวเองได้อย่างไรอย่างที่หลวงพ่อพูดวนๆ ว, วงก่อบางคนลูกทุกวันให้ดา่าพ่อดา่าแม่วาดผู้จักว่า เอทำไมไม่เลี้ยงดูเราเราเกิดมานะอพ่อแม่อย่างนี้ก็เป็นเหรอเป็นได้เหรอท่านนั้นจะมาให้จะทำให้เราเกิดทําไมทํำไมรู้จักจเลี้ยงดูอทํามมจริงมันก็เป็นความโง่งความเซ่อหลงพ่อแม่เหมือนกันนะถ้าเป็นอย่างหลวงพ่อหน้อยมาให้มันเกิดหรอวะเห็นไหมหลวงพ่อไม่ให้มันเกิดไม่เห็นมันมันเถียงเราะเอะ มีแต่ลูกศิษ ย, ย์เกิ์เถียงขึ้นมาดิลงพ่อ ด, าอด่าลดตัวไปถ้าถ้าวันลุงพ่อถ้าเป็นอย่างพ่อแม่เหมือนกันลงพ่อกระดาอีกเหมือนกันนะลุงพ่อปากลงพ่อไม่ใช่ธรรมดาเยลยลงพ่อก็จะบอกเนี่ยมึงรู้จักว่ากูทุกกูยากอยู่กูจนอยู่มึงเสือกมาเกิดทำไม <laughs> ถ้าหลวงพ่อจะด่ากลับคืนใช่ไหมมันก็ด่าได้ใช่ไหมล่ะมันก็ใช่เออใช่ให้ให้เขาด่าคืนมาพ่อแม่ไม่กล้าด่าคืนเนมีแต่ตาปุบปุบเผอเผอแม่มีแ ต, ต่ตร้องไห้เสียอกเสียใจว่าลูกตัวเองดา่าตัวเองใช่ไหมอ อ, อยากจะได้โทรศัพท์อยากจะได้ iPad อะไรก็ไม่ได้คนอื่นเขาได้ถูกจากพ่อแม่ยังนี่ตายหายอยังออไม่รู้จักหาเงินเราจะซื้ออะไรก็ไม่ได้ ได้ยังไงพ่อแม่จะจะใช้จ่ายมันจังจำแย่จะแล้วพ่อเขาก็ด่าลูกเขาก็ด่าพอ่อด่าแม่ดูถูกวถ้าเป็นลูกลูกของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อด่าเก่านะอีหามขานมันมาเกิดทีนั้นกับกูมึงไม่รู้จูก้กูทุกกูยาก <c oughs> อา้ยอ้าวมันมันต้องมองหลายมุมเหมือนกันนะของพันธุ์นี่ จะไปพูดออกจะได้แต่ตัวเองได้อย่างไรใครขยักรวยด้วยกันทุกคนใครถามด้วยว่ใครอยากจะรวยอยากจะรวยไหมอยากจะรวยทุกคนแต่ทําไงมันบุญว่าสนาบารมีส่วนหนึ่งความสติปัญญาของเราไม่พร้อมอีกอย่างหนึ่งเราเกิดโลคาพยาธ สุขภาพร่างกายไม่ดีอีกส่วนหนึ่งการแสวงหาทรัพย์ไม่ถูกที่ถูกทางอีกอย่างหนึ่งดินฟ้าอากาศประเทศชาติบ้านเมืองไม่เ อ, อื้ออํานวยอีกส่วนหนึ่งมันมีหลายมีหลายอย่างที่เราหาเงินไม่ได้หาทรัพย์สมบัติไม่ได้สรุปรก็คือเป็นผู้ไม่มีบุญมาก่อนนะปฏิรูปประเทศสวาโซจะเราเกิดในปฏิรูปประเทศ ปุเพจกระตาพุญยาตาบุพกรรมเก่าของเราไม่ดีเราจึงมาเกิดแล้วก็เลยเป็นคนที่ยากจนเป็นบุพกรรมเก่าถ้าเรากมทำกรรมดีอันในสงของเราดีเกิดมาเอาถึงยังไงเอาดีรวยได้จะทำยังไงของพนันนี่บางทีก็เกิดมาใช้กรรมพระพุทธเจ้าบางชาติก็ทุกข์ยากเหมือนกัน พวกเราคือเอา้าได้ขนาดนี้นะครับพอแล้วแต่ต้องพยายามปรับปรุงแก้ไขการเป็นอยู่ของเราบริหารจัดการอันไหนจะเกิดประโยชน์อันไหนจะเป็นโทษอันไหนที่จะดำรงชีพของเราให้อยู่ด้วยความผาสุกถ้าเราใช้สติใช้ปัญญาหลวงพ่อคิดว่ามไม่นานมีปัญหามาก ถ้าเราไม่ได้ใช้ความนี้แั่อย่างว่าเหมือนกัน น, ะน่าคิดนะโลกเนะียถึงยังไงกับพวกเรากลับไปกันะใครมีหน้าที่อะไรกหน้าที่การงานพยายามทำทำให้ดีแต่ก็โลกน้ก็อย่างว่าอีกเหมือนกันถึงยังไงยังไงก็จะถ้าเราพิจารณาดูให้ดีและความสุขที่แท้จริงนั้นคืออะไรนะ ถ้าเราย้อนถามดูสิความสุขที่แท้จริงนั้นคืออะไรต้องไปนะไปทำการทำงานอาพอทำการทำงานมีฐานะขึ้นมากับมีครอบมีคัวมีมีเมีย ม, ม, ม, ม, มีลูกมีหน้าที่การงานแล้วทำไปงานสักเท่าไหร่ทำไปทำวา น, นียู่ห้าหกสิบปีกห็นไหมผมงอกผมขาวฟันหลุดเจ็บไข้ได้ป่วย พอในถึงจะตายอีกยังไม่ถึงขนาดนั้นตายก็มีอีกต่างหากและความสุขลราคืออะไรทีนี้หาดูสิมันค้นหายัางไงมันก็หาไม่เจอมันนอกจากหาที่ใจของเราเท่านั้นค้นหาที่ใจดูที่ใจปล่อยวางที่ใจไม่ยึดพันถือมั่นที่ใจเห็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาแลวเกิดความเบื่อหน่ายคลาย ไม่มาเวียนไหวขอไม่มาเวียนไหวสำรักใจเลยใจบรรลุถึงอธรรมแล้วนะรู้รู้แจ้งเหตุจริงนะไม่มาเกิดอีกนั่นแหละความสุขที่แท้จริงถ้าาว่าเราไปค้นหาเนี่ยอันไหนคือความสุขที่แท้จริงสรุปแล้วก็คือมันออกไปก็คือมันสู่กิเลสไม่ได้ กิเลสตัวไหนที่มันหนักหนาทวงที่สุดเรี่องนี้คือเรื่องกามมรกิเลสผู้ใ ด, ดอย่างนั้นตัวกาวมมกิเลสตัวนี้เป็นตัวถ่วงสรพรพสัตว์ทั้งหลายมันยิ่งกว่ากาวตรายช้างอีกต่างหากมันติดขนาดนั้นนหละ เ, ออเรื่องกามมรกิเลสราคา เ, เพศหญิงชา ย, ยมันติดถึงขนาดนั้น เขาว่ายาเสพติดทั้งหลายทั้งปวงเลยเป็นยาบ้า ก, ก็ได้ยาฟินเฮโรอีนก็ดีติดคันชงคัญชาติดอะไรก็ตามนะอั น, นั้นมันติดติดน้อยอยูอ่ถ้าว่าติดเรื่องการมราคานะนี่ยกรรมกิเลสนะี่มันติดกับทุกคนนะ เ, เพราะมันเสพติดทุกคนนะพออยูดว่าอย้ยาเสพติดตายหาตายโหดเรื่องกามกิเลสเนะี่ยเรื่องโตใหญ่ เพราะมันติดทุกคนอย่าพูดจะพูดโดยมากจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่า เ, เพราะมันติดทุกคนใช่ไหมก็เลยมันไม่รู้จะออกยังไงมันเหมือนกันถวัติดยาเจ็บติดเลยประนามกันว่าอยาเจ็บติดพอติดเรื่องการมมากกิเลสนี่ห้ามพูดห้ามพูดห้ามเปิดเผยของพันนี่นะเป็ น, ปนอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ อันนี้เราก็ไม่เคยมีข้อมีครัวกับเขาใช่ไหมเราก็เลยพูดพูดให้ฟังหลวงพ่อคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะใช่ไหมเอาเบ็ดกกันนะาดนี้นะ